เขาอยู่วัดเป็นไงส่งกันบ้าน น, น, นี่เวลามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะรู้เข้าไปตรงๆนะอย่างเวลาเราเครียดดูเข้าไปตรงๆไอ้ที่เครียดนะมันของถูกดูในบางทีเศร้าใจพวกผู้หญิงเป็นเยอะเวลาเศร้าแล้วปล่อยใจจมอยู่ในหววมเศร้าใช้ไม่ได้นะ แช่อยู่นานๆแบบสมวิญญาณนางเอกก็มีนะจริงๆแล้วเศร้าไม่มากแต่บิวตัวเองให้เศร้าอย่างนี้ยิ่งเหลวไหลใหญ่กาลังสร้างนารกให้ตัวเองงั้นอย่างใจมันเศร้าใจมันติดอยู่ในอารมณ์อะไรเนี่ยรู้เข้าไปตรงๆไม่ต้องแก้ดูเข้าไปตรงๆแต่อย่าไปเพ่งจ้องด้วยใจเครียดๆนะรู้ด้วยใจที่สบายๆ นะถ้าเรารู้ได้ใจที่สบายปัญญามันจะเกิดใจที่สบายคือใจที่มีสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเหนถ้าเราใจเคร่งเชรียดใจไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้งั้นเวลามันเครียดมันเศร้ามันอารมณ์อะไรก็ตามกระทั่งปิติ บางคนเจอหลวงพ่อนะหูน้ำตาร่วงพวกเจอครูบาอาจารย์แล้วน้ำตาร่วงแต่ก่อนเยอะนะแต่หลวงพ่อไม่ยอมมาปลืม้มกับหลวงพ่อแล้วน้ำตาไหลไม่เอาไม่ใช่นักปฏิบัติที่ดีหรอกปล่อยใหอารมณ์ครับงาจิตดูเขาไปตรงๆมันเศร้ามันปีตะมันสุกมันอะไรนะดูเขาไปตรงๆแล้วเราจะเห็นนะว่าทุกสิ่งนะั้นเป็นของถูกรู้ถูกดู มาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ดับไปตัวนี้แหละที่เรียกว่าการเจริญปัญญาวิปัสนาเนี่ยต้องดูสภาวะอย่างความเศร้าใจเกิดขึ้นเราดูที่ตัวความเศร้าใจนะใจไม่ถล่าลงไปดูใจเป็นคนดูอยู่ห่างๆดูแบบคนมองนอกแล้วมันจะเห็นว่า้ความเศร้าใจที่เกิดนี้เกิดแล้วดับอย่างนี้เป็นวิปัสนานะ แต่ถ้ามันเศร้าเราก็ไปคิดว่าจะแก้ไขยังไงอันนี้ไม่ใช่วิปั ส, สนาเป็นสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบนี่คือการสมถะทำสมะำถะกรรมฐานได้แต่ความสงบไม่ได้ปัญญา วิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ดูเพื่อเอาสุขเอาสงบเอาดีอะไรหรอกดูเพื่อให้เห็นว่าตุวอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจับหลักให้แม่นกันที่เราจะเห็นว่ามันมาแล้วไปนะใจเราต้องสบายๆรู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ตรงนี้ต้องฝึกอย่างพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นเดือนเลยนะที่ฝึกกันที่ให้จิตเป็นผู้รู้จริงๆนะอย่างพวกเรา ว่าเก่งๆนะบวชนะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยฆราวาสกับพระนะทําได้ไม่เหมือนกันนะต่างกันมากเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมาบวชนะบางคนไม่ได้พร้อมจะบวชบางคนควรจะเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสแล้วทาประโยชน์ได้เยอะกว่า เนี่ยเราเฝ้ารู้เ้าดูความรู้สึกนะที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในใจเราต้องเป็นความรู้สึกตัวเดิมนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอเราเห็นแล้วมันดับอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเมื่อวานโกรธเปลี่ยนอารมณ์ไปตั้งเยอะแล้วมันนึกถึงทีหลังอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสนาพิปัสนาต้องเห็นสภาวะสดสดร้อน แล้วสภาวะสสๆร้นอนๆจะเกิดดับให้เราดูได้ถ้าจิตเรามีสมาธิสติเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตนะเป็นผู้ดูที่ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์และมันจะเกิดปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะนะ ปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะแล้วทํางานร่วมกันสมตัวสติเป็นตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนมีอยู่เรนะารู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวนี่เรารู้สึกในปัจจุบันได้ น, ะนี่ร่างกายกําลังขยับนะแต่ถ้าจิตเนี่ยนะโกรธแล้วโลบแล้วนะสุขแล้วทุกข์แล้วอย่างนี้ย มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้การดูจิตกับดูกายไม่เหมือนกันดูกายนี่เป็นปัจจุบันขณะดูจิตเขเรียกว่าปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบต่อกับปัจจุบันแต่ว่ามันต้องติดต่อกันนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ใช่เนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูจิตออกเราเห็นในจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปคิดเดี๋ยวก็ถลําลงไปเพ่ง mm hmm. ถ้าเราดูได้อย่างนี้ก็ดูไปเลยนะ mm hmm. ถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายอย่างขณะ น, นี้ร่างกายนั่ง mm hmm. ใครไม่รู้ว่าร่างกายนั่งก็บบ้านแะล้วนะ mm hmm. ตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกด้วยใจปกติต้องทำใจขึมแล้วรู้สึกไหม mm hmm. นั่งอยู่ mm hmm. นี่ก็เพี้ยนนะ มันรู้อยู่แล้วนั่งเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่านั่งรู้ด้วยใจที่ปกติใจที่ทรงสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยนะสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะปกติเลยเพราะเดิมจิตของเราแต่ละคนเนี่ยนะมันผ่องใสอยู่แล้วมันมีสมาธิอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่แทรกเข้ามาอย่างเราอยากปฏิบัติเนี่ยตัวกิเลสแทรกเข้ามา ใจเราก็ไม่เป็นปกติแล้วงัอ น, นใจมีพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตนั้นแต่เดิมนั้นมาประพัดสอนมันผ่องใสมันสว่างมันผ่องใสมันสงบงั้นสงบสว่างอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องจิตปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องของจิตปกติเป็นทุกคนแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสแทรก เง้สงบสว่างเนี้ยเป็นอยู่แล้วแต่ไม่สะอาดจิตของเรายังไม่สะอาดจิตของเรามีกิเลสซ่อนอยู่เยอะแยะนะมีอนุสัยมีสังโยชน์ที่เรามาภาวนารู้เท่าทัานจิตใจนะเพื่อชำระล้างกิเลสออกจากใจนะแต่ว่าขั้นแรกเลยกลับไปอยู่ความสงบความสว่างของใจ ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านเพราะกิเลสใจมื ด, ใจ ม, ดใจมัวก็เพราะกิเลสกิเลสที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านจิตใจมืดมัวให้ตัวโมหะเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสงั้นถ้าเราเวลาใจมันซึมซึมเรารู้้าไปเลยหรือใจมันฟุ้งซ่านนะรู้มันเข้าไปเลยไม่ต้องไปนั่งแก้นะรู้เฉยๆรู้แบบไม่มีส่วนได้เสีย มันก็ดับไปเพรใจของเรามันสว่างอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วถ้าเราไม่หลงกลกิเลสที่มานยั่วให้ใจวิ่งตามก็แค่นี้เองแใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จะเริ่มรู้เท่าทันกิเลสละมันมาแล้วมันก็ไปมันมาเองมันไปเองนี่คือตัวปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นมันมาแล้วไปนี่คือเห็นอนิจจังนะ เห็นมันมาได้เองมันไปได้เองไม่ใช่เราสั่งนี่เรียกว่านัตตาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะบางคนบารมีมากไม่กี่วันมีรู้สึโลบดูนองหนึ่งเลยเจ็ดวันเท่านั้นบวชบวชอยู่เจ็ดวันแต่จริงๆภาวนามา่อนบวชเยอะมาบวชได้เจ็ดวันจีตก็เข้าใจสภาวะเข้าใจทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างไม่มีตัวมีตน บางคนก็เจ็ดเดือนบางคนหลายสิบปีก็ไม่ได้เพราะว่าดูจิตผิดดูจิตผิดคือไปบังคับจิตไปควบคุมจิตให้นิ่งๆให้ว่างๆมีนะสอนกันพวกลูกศิษหลวงพู่ดูลเนี่ยแหละเรียนมาได้นิดเดียวหลวงปู่สอนเรียนแม่นได้ไม่เยอะได้ขั้นต้นให้มุ่งไปที่จิตสงบจิตว่าง จิตเป็นไงขนาะเนี้ยเพ่งอยู่รู้ไหมจิตมันจะอืดอัดวิธีดูว่าจิตเพ่งหรือไม่เพ่งนะถ้ามันเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมานะเพ่งแน่นอนนะจิตที่เราเพ่งเหมือนเราไปกดมันไว้มันอืดอัดนะแล้วไอ้ที่ผิดดีอั น, นคือปูขึ้นมาปูขึ้นมาจิตปูกระเจิงกระเจิงไปเลยนะ จิตปกติเนี่ยเหมือนจิตที่อยู่ในระนาบอย่างนี้เลยที่อยู่ในระนาบนี้นะจิตอยู่แถวเนี้แต่อย่าไปจับไว้นะจับไว้ก็เพ่งอีกมันจะอยู่อย่างเงี้ยเวลาเราออกแรงกดจิตนะมันจะกดลงไปบางทีภาวนาแล้วอยากรักษาจิตอยากประคองมันจะดันจิตเอาไว้เห็นเกณฑ์ไหมบางทีก็ดันจิตไว้บางทีก็กดจิตลงไปเนะนี่ยจิตไม่อยู่ในระนาบปกติไม่มีสมาธิที่ดีนะ จิตที่มีสมาธิที่ดีได้อยู่ในระนาบปกติเลยไม่กดไม่ดึงไม่ดันนะพวกน้าปฏิบัติหนึ่งชอบไปแทรกแซงจิตแทรกแซงด้วยการยกเอาไว้บ้างนะคุมเอาไว้มันจะอืดอัดนะพวกนี้ยกไว้ก็ทื่อๆอืดอัดนะนะถ้าใจา อ, อืดอัดเมื่อไหร่แสดงว่าเราแทรกแซงจิต แล้วถ้าจิตใจเราเป็นยังไงเราไม่รู้เสดงว่าเราหลงที่ผิดมีสองตัวนะตัวหลงอันหนึง่งกับตัวแทรกแซงอันหนึง่งหลงก็คือเผลอไปแทรกแซงก็คือเพ่งเพ่งได้หลายลีลาเพ่งแบบประคองดันไม่ก็มีนยกไว้ยกจิตไว้เงี้ยแล้วก็เวลาดูสภาวะสนะภาวะจะไปอยู่ข้างล่างยกไว้ใจอย่าทื่อๆมีคนหนึนน่งกดลงไป ออาอยากพูดเต็มทีแล้วว่าไปอย่างขนาดนี้ไม่ปกตินะขนาดนี้ประคองอยู่รู้สึกไหมไมันมีน้าหนักเออตื่นเต้นรู้ตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นห้ามไม่ได้แต่ตรงที่ตื่นเต้นแล้วเราเข้าไปประคองเนะี่ยตรงนี้เราแทรกแสงจิตตื่นเต้นนี่เป็นเรื่องของจิตเองนะเราไม่ได้สั่งนะมันตื่นเต้นได้เองอันนี้เป็นธรรมดา แต่ตรงที่เรากลัวมันตื่นเต้นเราประคองตัวนี้คือการแทรกแซงจิตงั้นตื่นเต้นไม่ผิดที่แทรกแซงจิตที่ประคองไว้นี้ตัวนี้แหละที่ผิดจากวิปัสสนาตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นเอาอยากพูดว่าไปเฉยเฉยแบบนี้ถ้าอย่างนี้นะมันคือการที่ไปทำจิตให้ว่างๆอยู่ในระนาบเดียว มันไม่ได้เป็นอยู่ในระนาบด้วยตัวของมันเองนะแต่เรารักษาไว้รักษาเฉยๆนี่ก็คือการเข้าไปแทรกแสงจิตอกปล่อยให้มันทํางานปุ่งไปปุ่งมารูวร้ว่าฟุง้งรู้ว่าฟุ้งนะถ้ารู้ว่าฟุ้งได้ก็ถือว่าเราเดินพิพัฒนาอยู่ถ้าฟุ้งจนดูไม่ได้ก็ทําสมถะมาสวดมนต์ไหว้พระพุทธโธรายใจหรือ เจริญเมตตาอะไรก็ได้แล้วเวลาทำสมถะนะเคล็ดลับของมันก็คือสังเกตจิตที่มันเหวี่ยงออกจากระนาบปกติ่างมันจิตปกตินี่มันเบี่ยงนี้นะถ้ามันเราแทรกแซงเมื่อไหร่นะมันจะเบี่ยงดันขึ้นบ้างกดลงบ้างสังเกตไปอย่างนี้เรากดอยู่ตัวออกอยังมันมันหลุดจากระนาบปกตินะ อย่างนี้ไม่ไม่เป็นสมาธินะแล้วไงไปทามาไปฝึกอีกนะหากเชื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลหมหายใจอะไรก็ได้หรือจะบริกรรมอะไรก็ได้หรือสวดมนต์ก็ได้สติว่าไปอุตสาห์ใส่เสื้อสติแต่ว่ากำลังขาดสติเลย <c oughs> แ้วคองจิตอยู่รู้ไหม เนี่ยจิตไม่เป็นปกติหูออกไหมมันหลุดจากระนาบปกติของมันต้องดูจิตหลวงพ่อสิเห็นไหมมันปกติ <c oughs> แต่ดูไม่เห็นหรอกเะเพ่อไปอย่าไปควบคุมจิตให้นิ่งนะที่ฝึกก็พอใช้ได้อยู่วันนี้ผูกฟุ้งซ่านสลับกับเพลงนะนั้นต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไป เพิ่มสมาธิสักวัไม่ใช่นั่งเยอะๆมีสติเยอะๆนั่งสามชั่วโมงเนี่ยขาดสติก็ไม่ได้เรื่องหนระอกอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆเวลานั่งสมาธิอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพระใจเราหนีไปเราคอยรู้ทันเนะี่ยเราคอยอ่านใจตัวเองว่ามันหลงไปละอย่าเพ่ง เมื่อกี้รู้สึกไหมขนาดที่เพ่งอยู่เนี่ยนะก็ยังแอบไปคิดได้ด้วยเนะนี่ยหัดรู้สภาวะไปพอเรารู้สภาวะได้แม่นยำนะต่อไปพอจิตเราปรุงอะไรขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันเลยนะคอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตไหมการปรุงแต่งของจิตเรียกว่าสังขารตัวที่ทําให้จิตปรุงแต่งคือตัวอวิชชาเนะนี่ยเราเรียนเข้ามารู้ทันจิตที่ปรุงแต่งไปเรื่อยด้ ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างตอนนี้เรียกว่าปรุงดีอยากดีบระคับประคองจิตกไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาคิดบริกรรมไปก่อนนะแทนที่จะปล่อยให้คิด้อยเรื่องพันเรื่องให้มันมาคิดคำบริกรรมแล้วแต่เราชอบนะคำบริกรรมอะไรก็ได้ ที่เราพอใจพุโทโธก็ได้พุโทโธรมโมสังโฆก็ได้นะเมตตาพุนังอรหังเมตตาอะไรก็ได้นะเพราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอาการหนักใกล้ตายแล้วถ้ายังไม่อยากตา ย, ยมีภาระอยู่ก็บริกรรมไปฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาบริกรรมไปด้วยใจที่สบายนะ ใ, นใจมันเข้าฌานนะมันจะเดินอีที่บาทเอง มันก็ยืดยชีวิตเราได้ช่วงหนึ่งไม่นะว่าการเจริญอิทธิบาทเราได้ยินเรื่อยๆใช่ไหมนิ ม, มนต์เจริญอิทธิบาทถามแล้วเจริญยังไงวะไม่มีใครรู้หรอกไ <c oughs> ม่ก็คือการแท่งอิทธิบาทเข้าไปในกรรมฐานแล้วกรรมฐานที่เหมาะนะคืออนาปนสติ ทำนาปนะสตินะโดยใช้อิทธิบาทเป็นอารมณนะ์นาปณะสตินะโดยตัวมันก็ฟอกทัดฟอกถันได้อยู่แล้วใจฟูงซ่านใะห้บริกรรมไปเอาอะไรก็เอาแต่เจริญอิทธิบาทในรุ่นเรานี้อยู่ได้แค่75ปีนะสมัยพุทธกการอยู่ได้ร้อยปี ร้ปีขึ้นของเรายุคนี้เจ็ดสิบห้าปีขึ้นเท่ากับหนึ่งของเรายุคนี้คือเจ็ดสิบห้าปีที่ว่าเจริญีที่บานแล้วอยู่ได้กับหนึ่งนะกลับมีสองอันนะมีอายุกับอย่างของพวกเราเนี่ยอายุกับคืออายุเฉลี่ยนั่นเองอายุกับอายุเฉลี่ยเจ็สิบห้าปี มันจะไปอยู่หลายร้อยปีอะไรเงี้ยไม่ได้นั่นมีอีกวิชาหนึ่งวิชาปรุงธาตุไม่สอนนะเดี๋ยวบ้ากันใหญ <laughs> ่ว่ามาฮะติดติดง่วงง่วงก็ไปล้างหน้าเดิ น, นหายใจไว วงองาจานาจานาที่นั่งบวชแถว่พื้นจิตนะมีแต่โมหะตอนที่มาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะปับอยู่หลายปีเลยตอนนั้นไม่ได้บวชหรอกอยู่กับหลวงพ่อหลายปีแต่ว่าต่อสู้เด็ดเดี๋ยวเดินจงกรมมาไลยตอนอะไรเนี่ยสู้กระทังจิตมีพลังขึ้นมีพลังมันเดินปัญญาแวบเดียวก็ผ่านไปไปได้ดีเฉลี่ย ก็เป็นที่พึ่งที่อาศัยของพวกเราได้ต่อไปลูกศิษย์หลวงพ่อที่ได้ใกล้หลวงพ่อขึ้นมาก็มีจาาันะมีคุณแม่ฉีมีหลวงพ่อขันตีองหลวงพ่อขันตีออกแบบชาวบ้านไหยแบบโหดนะสายโหดเดินจงกรมนะแบกสุงไปด้วยเพราะว่าเดินเฉยๆเนี่ยมันสบาย ขาดสติเดินแบกไม้เสาไปด้วยทารุนมากนะแล้วพอพานาได้นะร่างกายเนี้ยยับเยินหมดเลยบอบช้ำ ม, มากเป็นท่านพอ่อหลีท่านพอ่อหลีหลวงพ่อไปเรียนเนียท่านตอนเด็กผมนีชอบบดข้าวพอนาไปเสร็จแล้วเป็นโรคกระเพาะตายนะเป็นโรคกระเพาะอายุห้าสิบนิดนิดเอง บอบช้ำ ม, มากในแต่ละศาสนาพุทธแต่ละพุทธเธอเจ้าจะมีสาวก อ, อยู่หนึ่งองค์นะที่ปฏิบัติโหดสุดๆเขาเรียกว่าโมนยยาวพิธีในศาสนาหนึ่งมีองค์เดียวโมนยยาวพิธีเช่นไม่อยู่ซ้ำที่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆไม่นอนที่เดิมเลย ย้ายไปเรื่อยๆงั้นในเรื่องความสุขความสบายคามติดที่อะไรเนี่ยไม่มีบินธบาติเคยบินธบาติบ้านนี้แล้วไม่ไม่ไปอีกแล้วไปหาที่อื่นไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้งั้นปฏิบัติแบบโหดเฉพาะตัวนะต้องสร้างบารมีมากเลยกว่าจะได้เป็นเอตตักขาทางด้านนี้เวรหลวงพ่อไม่เอาอะ สร้างบานมันมีทางด้านโวดเนื้อเราพานาให้มันสบายยังบังคับอยู่นะจิตน่ะดีขึ้นแล้วล่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะแต่อย่าไปเพ่งไว้ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปอ๋อ เหมือนกำแพงขังจิตไว้ป่ะอย่างนั้นแหละดีเราภาวนานะถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตเราไม่อิสระจิตเราถูกขังไวนะ้แล้วมันจะเกิดความดิ้นรนที่จะต่อสู้หลวงพ่อเนี่ยภาวนาเห็นจิตถูกขังอยู่เหมือนอยู่ในแคปซูลจนะเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังท่านคนอีสานบอกเฮ้ยเราก็เจอจิตอยู่ในไหาประแดก มันจิตอยู่ในหายไปแตกมันถูกขังตัวที่ขังมันคือตัวอาสวัตตอนที่เกิดอริยมรรคครั้งที่หนึ่งมันก็แตกแล้วมันก็กลับมาปิดใหม่ครั้งที่สองแตกปิดใหม่ครั้งที่สามก็เหมือนกันเป็นครั้งที่สี่นะถึงสลายะถ้าเราเห็นอย่างนี้มันก็เหมือนเรารู้ตัวแล้วว่าเราติดคุกอยู่นึกออกไหมเราเป็นคนติดคุกอยู่ งั้นเราเกิดมาในคุกนะมีชีวิตยอยู่ในคุกโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเราก็เป็นทาสไม่ใช่เป็นคุกอยู่ถูกขังเฉยๆนะยังเป็นทาสโดตันหาเป็นเจ้าหนายที่สั่งให้เราทํา น, น้อนทํานี่ทุกวันเลยวันหนึ่งนับเรื่องไม่ถูกเลยนะงั้นพอเราเห็นอย่างนีนะ้ว่าเราถูกขังอยู่แล้วเราก็ตกเป็นทาสของตันหาอยู่นะใจมันจะฮึดสู้นะมันจะไม่ยอมหรอกดูมไปเรื่อย ต้องดูด้วยความเป็นกลางนะดูไปจนมันทุกข์มากแล้วก็กลับมาทําสมถะให้ใจสดชื่นสดชื่นแล้วก็กลับไปดูอีกนะดูยจงคุกแตกนะหลวงพ่อภาวนาเนืนะ้อหนึ่งว่าถ้าทําลายคุกนี้ไม่ได้นะตายก็ตายนะไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรเราต้องตกเป็นทาส ต, ตลอดไปเรื่องอะไรเราต้องถูกติดคุกอยู่ตลอดไปแต่และคนเนี้ถูกขังอยู่นะแล้วมองไม่ออกจิตทั้งเรา มีเปลือกพุ่มอยู่หลงพ่อสมัยใหม่หน่อยหลงพ่อมันเหมือ น, นมีแคปซูลใสไว้เป็นแคปซูลโลหะอย่างดีเลยไหมแข็งเหนียวแข็งตีไม่แตกครูบาอาจารย์นั้นเหมือนไหยประแดกไหายประลารู้จักไหมเป็นไหยดินอะ่ะดินเคลือบนี่มันต้องรู้จักจริงๆเราไม่อิสระจริงๆเรา ขังอยู่นะแล้วก็เป็นธาตุของความอยากความอยากสั่งงานเราทั้งวันเลยแล้วมันเป็นนายที่ฉลาดนะมันสั่งให้เราทำงานแล้วเราทำตอบสนองมันนะมันโยนความสุขให้เรานิดหนึ่งแล้วมันสั่งงานใหม่ทันทีเลยมันร้ายมากเลยมันฉลาดแต่ถ้าเราไม่ทำตามใจมันหรือทำงานให้มันไม่สำเร็จมันอยากจีบสาวคนนี้จีบไม่สำเร็จนะมันโยนความทุกข์ให้อย่างหนักเลย ถ้าเราทำสำเร็จตามที่มันพอใจอย่างให้ไปจีบสาวนี่จีบได้มันโยนความสุขให้เรานิดเดียวเดี๋ยวมันก็สั่งเรื่องอื่นต่อไปแล้วจริงๆแล้วแต่ละคนจมอยู่ในกองทุกแต่มองไม่เห็นน่าสงสารมีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วภาวนาเข้าปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้ได้ นัานคำว่าหลุดพ้นหลุดพ้นเนะ่ะมันหลุดพ้นจากอาสวะไปดูพระไตรปิฎกนะใช้คาตรงเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรในรูปนามในกายในใจนีนะ้หรือเพราะไม่ถือมั่นในตัวจิตต่อไปหันหน้าไปางนนไม่ต้องกลับสงฆ์เสียเวลาหันหน้าไปถนนเดี๋ยวกลับสงฆ์ทีเดียวนะ